การปฏิบัติธรรมจะบรรลุหรือไม่บรรลุจะสาเร็จหรือไม่สำเร็จก็ขึ้นอยู่กับความเพียรความพยายามที่จะปฏิบัติดังที่สุภาษิตได้พูดเอาไว้ว่าความเพียรความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น ดังนั้นผู้ปฏิบัติธรรมผู้ที่ปรารถนาความสำเร็จคือการบรรลุธรรมขั้นต่างๆก็ต้องมีความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติธรร ม, มการเพียรปฏิบัติธรรมนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้อยู่สี่ลักษณะด้วยกันคือหนึ่ง ให้เพียรพยายามสร้างธรรมที่ยังไม่มีให้ปรากฏขึ้นมาในใจสองให้เพียรพยายามรักษาธรรมที่ปรากฏขึ้นมาแล้วไม่ให้หดหายไปสามให้เพียรพยายามละอาธรรมคือตัณหากิเลสทั้งหลายที่ยังมีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไป สี่ให้เพียรพยายามป้องกันไม่ให้อธรรมหรือกิเลสตัณหาที่ได้กำจัดไปแล้วให้หวนกลับคืนมาอีกนี่คือลักษณะของความเพียรที่ผู้ปฏิบัติสามารถหรือควรที่จะกระทำตามภาวะของตน ถ้ายังไม่มีธรรมเลยก็ต้องเพียรพยายามสร้างธรรมขึ้นมาธรรมที่จะทำให้บรรลุนั้นคืออะไรก็คือศีลสมาธิและปัญญาและสติศีล ส, สมาธิกับสตินี้เป็นของคู่กันพูดถึงสมาธิก็ต้องพูดถึงสติ เพราะถ้าไม่มีสติก็จะไม่มีสมาธิยังต้องดูว่าตอนนี้เรามีศีลหรือไม่เรามีศีลกี่ข้อศีลที่จำเป็นจะต้องมีอย่างน้อยก็ต้องแปดข้อขึ้นไปสำหรับการปฏิบัติธรรมต้องมีศีลแปดหรือศีลสิบหรือศีลสองร้อยยีิบเจ็ด อันนี้ถ้ายังไม่มีก็ต้องสร้างศีลเหล่านี้ขึ้นมาก่อนถ้าตอนนี้มีเพียงศีลห้า 5, ก็ต้องมาเพิ่มเป็นศีลแปดอาจจะเพิ่มจากเล็กน้อยไปหามากก็ได้เพราะถ้ายัางไม่มีกําลังพอหรื อ, อยังไม่มีโอกาสก็จะไม่สามารถรักษาศีลแปดได้ ตดเวลาก็ต้องเลือกเอาเวลาที่ว่างที่เหมาะสมต่อการรักษาศีลแปดเช่นวันหยุดทํางานต่างๆอันนี้เป็นวันที่เหมาะต่อการเพิ่มจากศีลห้าไปเป็นศีลแปดเพราะถ้าทํางานนี้มันมีภารกิจมีธุระมีอะไรต้องทํามากมาย การจะรักษาศีลแปดนี่ก็อาจจะเป็นไปได้ยากเพราะต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆเกี่ยวข้องกับสังคมก็อาจจะต้องมีการไปร่วมงานสังคมอะไรต่างๆจะรักษาศีลแปดก็จะไม่สะดวกแต่ถ้าเป็นวันหยุดทำงานวันหยุดที่เราไม่ต้องเกี่ยวข้องกับใคร วันนั้นก็จะเป็นวันเหมาะสมต่อการรักษาศีลแปดเช่นวันพระวันพระสมัยก่อนจะตรงกับวันหยุดทํางานผู้ที่ต้องการรักษาศีลแปดก็สามารถไปอยู่วัดได้ไปรักษาศีลแปดที่วัดได้เพราะบรรยากาศสถานที่เอื้อต่อการรักษาศีลแปด ถ้าอยู่บ้านกับคนอื่นนี่ถ้าเรารักษาศีลแปดคนเดียวคนอื่นเขาไม่รักษาก็อาจจ ะ, ะมีอุปสรรคมีการกระทาที่ไม่เหมือนกันเช่นเราไม่รับประทานอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้วแต่คนอื่นในบ้านเขายังรับประทานกันอยู่รับประทานตอนบ่ายตอนเย็ยนตอนค่ำ ถ้าเราเห็นเขารับประทานบางทีมันก็จะทำให้ใจเราหิวขึ้นมาได้อาจจะทนไม่ได้หรือถ้าเราทนได้แต่ก็มีคนมาคอยชวนมาคอยเรียกให้ไปกินเพราะความเป็นห่วงเป็นใยเพราะคิดว่าไม่กินข้าวแล้วเดี๋ยวจะร่างกายจะเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นห่วงเป็นใย ก็อาจจะมาขยันขยอเมือ่อมาขยันขยอด้วยความเป็นห่วงเป็นใยบางทีใจเราก็อ่อนออก็เลยต้องยอมทาตามเขาไปเขาให้ไปกินข้าวเยน็นก็เลยต้องกินศีลแปดที่จะรักษาก็เลยหายไปหนึ่งข้ อ, อ, อแล้วเดี๋ยวเขาตอนค่ำเขาอาจจะเปิดดูทีวีกันดูภาพยนตร์ดูละคร ดูบันเทิงอะไรต่างๆเราไม่ได้ดูแต่ได้ยินเสียงก็อาจจะทำให้ใจเราหวั่นไหวขึ้นมาได้เพราะใจของพวกเราทุกคนมีเชื่อที่อยากจะดูของพวกนี้อยู่แล้วพอได้ยินเสียงหรือได้เห็นภาพก็อาจจะทำให้เกิดความอยากขึ้นมาพอเกิดความอยากขึ้นมา ใจก็จะสัน่นใจก็จะไม่สบายอันนี้คืออุปสรรคต่างๆสำหรับผู้ที่ต้องการจะปฏิบัติธรรมต้องไปหาสถานที่ที่เรียกว่าสับปายะสถานที่ต้องสับปายะบุคคลก็สับปายะคาว่าสับปายะภาษาบาลีแปลว่าสบายสบายต่อกับสบายต่อการปฏิบัติ ต้องไปหาที่คนปฏิบัติเหมือนกันเช่นไปอยู่วัดปฏิบัติถ้าไปวัดที่ไม่ปฏิบัติก็อาจจะไม่มีใครเขาปฏิบัติกันเช่นไปวัดที่มีเมนมีงานศพมีงานอะไรต่างๆบางวัดก็มีงานวัดตอนคืนมีบันเทิงในวัดด้วย นี่คือไม่ใช่วัดสำหรับที่จะเป็นสัปปายะต่อการปฏิบัติวัดที่เป็นสัปปายะต้องเป็นวัดที่สงบเงียบเช่นบนเขานี่เป็นที่สงบเงียบห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพพะต่างๆแวดล้อมด้วยความสงบของธรรมชาตินี่เรียกว่าสัปปายะสถานที่สัปปายะ และบุคคลที่อยู่ในสถานนี้ก็สัปปายะเพราะถือศีลแปดเหมือนกันปฏิบัติสมาธิฟังเทศฟังธรรมเหมือนกันอันนี้ก็จะเหมาะสมเรียกว่าสัปปายะฉะนั้นผู้ที่ต้องการที่จะทำความเพียรก็ต้องเลือกสนามลบเลือกสถานที่ปฏิบัติที่จะเอื้อต่อการปฏิบัติ อย่าไปปฏิบัติในสถานที่ที่เอื้อต่อศัตรูของเราสถานที่ที่เอื้อต่อศัตรูก็คือที่กิเลสออกมาเพ่นพ่านได้อย่างสะดวกสบายที่ที่มีรูปเสียงกลิ่นรสผลถภะเช่นในบ้านในเมืองในสถานที่บันเทิงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆสถานที่เหล่านี้ไม่สัปปายะ ต่อการบําเพ็ญต่อการปฏิบัติธรรมต่อการเจริญศีนสมาธิและปัญญาดังนั้นผู้ปฏิบัติถ้าอยากที่จะสร้างธรรมะที่ยังไม่มีอยู่ในใจขึ้นมาก็จําเป็นที่จะต้องเลือกเวลาและสถานที่ที่เหมาะต่อการปฏิบัติเวลาก็คือต้องว่างจากภารกิจการงานต่างๆ ได้อย่างเกี่ยวข้องกับภารกิจถึงแม้จะมาอยู่วัดแต่ยังเปิดมือถือติดต่อกันมีการส่งข้อความตอบไ ป, ไ ป, ไปกลับไปกลับมาเหมือนกับการทำธุรกิจถ้าอย่างนี้ถึงแม้สถานที่จะสับบายะแต่เราไม่สับบายะเองเราต้องสารวมอินทรีย์ การถือศีลแปดนี่คือการสํารวมตาหูจมูกลินกายไม่ให้ไปรับรู้เรื่องราวต่างๆให้รับรู้เพียงแต่เรื่องของธรรมอย่างเดียวเรื่องของโลกเรื่องของธุรกิจเรื่องของคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้นี่ต้องตัดไปให้หมดต้องการเปิด อ, อินทรีย์คือตาหูจมูกลินกายให้กับธรรมะอย่างเดียว เช่นอ่านหนังสือธรรมะฟังเทศฟังธรรมอะไรทำนองนี้ทำได้แต่ไม่ให้ไปรับรู้เรื่องของคนนั้นเรื่องของคนนี้เรื่องของลูกของหลานเรื่องของแฟนเรื่องของธุรกิจเรื่องอะไรต่างๆจําเป็นที่จะต้องปิดทวารปิดตาหูจมูกนิ้นกายไม่ให้รับรู้เกี่ยวกับเรื่องต่างๆเหล่านี้ เพราะถ้าได้รับรู้แล้วมันจะทําให้จิตใจต้องปรุงแต่งแล้วก็จะทําให้เกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาเกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาได้การมาปฏิบัติธรรมนี้เพื่อทําใจให้สงบไม่ใช่ทําให้ใจฟุ้งซ่านกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าไปอยู่ที่สัพพายะแล้วไปถือศีลแปดแล้ว ถ้าสถานที่เขาไม่ห้ามเราก็ควรจะห้ามควรจะปิดมือถือไปอย่าไปใช้มือถืออย่าไปติดต่อกับใครตอนจะมาวาดก็แจ้งให้เขาทราบก่อนว่าวันนี้จะหยุดติดต่อกันชั่วคราวจะเดินทางเข้าไปสู่โลกทิพยนะ์เนี่ยจะไม่ติดต่อกับใครที่ต้องการเข้าหาความสงบ เน้อเก่าก็ปิดไปเลยไม่ต้องไปกังวลคิดว่าตายจากการชั่วคราวก็แล้วกันอย่างนี้แล้วเราก็จะได้ไม่มีอะไรมาลบกวนใจเพื่อเราจะได้มาสร้างศีลขึ้นมาได้สร้างศีลแปดพอเรารักษาศีลแปดได้เราก็จะมาสร้างสติได้เพราะเราจะมีเวลานั่นเอง ถ้าเราไม่ว่างไปทำภารกิจต่างๆการจัดเจริญสตินี้ก็เป็นไปได้ยากเพราะการเจริญสติทางธรรมนี้ต่างกับการเจริญสติทางโลกการเจริญสติทางโลกนี้เป็นสติที่มีการคิดปรุงแต่งเช่นเราทำงานเราก็มีสติอยู่กับงานคิดบัญชีเราก็มีสติกับการคิดบัญชี วางแผนทำอะไรต่างๆก็ต้องใช้ความคิดแต่เรามีสติอยู่กับงานนั้นแต่เราไม่หยุดคิดอันนี้ไม่ใช่เป็นสติที่จะสนับสนุนการบรรลุธรรมการปฏิบัติธรรมสติที่เราต้องการคือสติที่ไม่คิดให้รู้เฉยๆให้รู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ยา ง, งานที่เราทำจึงต้องเป็นงานที่ไม่ต้องใช้ความคิด เช่นงานทำอะไรเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดของสถานที่หรือของร่างกายของเราเป็นต้นอันนี้ไม่ต้องใช้ความคิดมาก mm hmm. การว่าทำอะไรก็ต้องมีสติให้รู้อยู่กับการกระทา mm hmm. เช่นกำลังอาบน้ำกำลังล้างหน้าแปรงฟันหวีผ้าหวีผมแต่งเนื้อแต่งตัว รับประทานอาหารทำความสะอาดสถานที่กวาดถูสถานที่พักที่อยู่อาศัยอะไรต่างๆเหล่านี้ต้องทำด้วยสติใจต้องจดจ่อให้ดู้อยู่กับงานที่กำลังทำอยู่แต่ไม่ส่งใจให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ให้อยู่ในปัจจุบันให้อยู่กับงานที่กำลังทำอยู่เท่านั้นถึงจะเรียกว่าเป็นสัมมาสติ ถ้าเป็นสติแบบที่ทำงานนี้จะเป็นมิจฉาสติเพราะทำงานไปมีสติอยู่กับงานที่กำลังทำอยู่แต่ต้องคิดกับนี่เกี่ยวกับเรื่องงานเช่นคิดบัญชีวางแผนออกแบบทำอะไรต่างๆที่ต้องใช้ความคิดนี่ไม่ถือว่าเป็นสัมมาสติเป็นมิจฉาสติตามหลักของการปฏิบัติธรรม ดังนันการที่เราจะเจริญสัมมาสติได้เราก็ต้องไม่มีภาระเหตการงานที่ต้องใช้ความคิดปรุงแต่งก็เราก็ต้องทําในวันหยุดทํางานไปเปริกวิเวกไปอยู่ที่เราไม่ต้องเจอใครไม่ต้องพบปะกับใครถ้าพบปะก็ไม่ต้องคุยกันไม่ต้องมีการสนทนาปราศัย ตามสถานที่ปฏิบัติเวลานักปฏิบัติพบกันนี้เขาจะไม่สนับสนุนให้คุยกันบางแห่งเขาให้ถือการไม่พูดเลยเพื่อจะได้ตัดปัญหาแต่ความจริงสานักปฏิบัตินี้ที่เข้าใจหลักแล้วก็ไม่ต้องสร้างกฎนี้ขึ้นมาเพราะว่าบางทีก็อาจจะมีความจำเป็นที่อาจจะต้องพูดกันบ้าง คำสองคำอะไรทำนองนี้ถ้าไปสร้างกฎไม่ให้พูดเลยก็บางทีก็อาจจะต้องบอกหรือต้องทำอะไรก็ยากแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ควรพูดบางแห่งเขาเพื่อป้องกันการพูดแบบไม่จำเป็นต้องพูดก็อะไรตั้งกฎขึ้นมาว่าไม่ให้พูดเลย อย่างนั้นก็ได้แต่บางแห่งพอไม่ให้พูดเขาก็ติดต่อกันได้การเขียนใส่กระดาษอันนี้ก็เหมือนกับการพูดพูดผ่านทางการเขียนข้อความอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นการหยุดความคิดปรุงแต่งเพราะการจะเขียนข้อความก็ต้องใช้ความคิดปรุงแต่งดังนั้นก็พูดดีกว่าง่ายกว่าเร็วกว่า สะดวกกว่าพูดให้มันเสร็จเสร็จถ้ามีความจะเป็นจะต้องพูดอะไรก็พูดกันไปแต่ถ้าไม่จาเป็นก็อย่าพูดกันเวลามาทำกิจวัตรร่วมกันก็ต่างคนต่างทำไปไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามการจะถ้าอยู่เข้าไปลงครัวทำกับข้าวน้างถ้วยร้างชามรับประทานอาหารก็ทำกันไปไม่ต้องคุยกัน ทำหน้าที่ของตนไปทำเสร็จแล้วก็แยกแยกกันไปไม่ให้กระจุกอยู่ที่เดียวไม่ให้คลุกคลีกันไม่ให้สังสรรค์กันการปฏิบัติธรรมนี้เหมือนกับว่าเป็นการาไม่มีคาเรียอะไรไม่มีสังคมต่อกันคนไม่เข้าใจก็อาจจะว่าไม่มีน้ำจิตน้ำใจต่อกัน อะไรกันเจอกันไม่ยอมทักทายกันไม่ยอมพูดคุยกันแต่สำนักปฏิบัติก็จะเป็นอย่างนี้ในสมัยพุทธกาลนี่มียาโย่บางคนไปวัดปฏิบัติเห็นพระไม่คุยกันเวลามาทำกิจวัตรอะไรก็ไม่คุยกันต่างคนนี้ต่างทำไปจนต้องถามว่าท่านทะเลาะกันหรือเปล่าทำไมไม่เห็นคุยกันเลย อันนี้น่บอกไม่ได้ทะเลาะกันอันนี้เป็นการปฏิบัติธรรมการสำรวมกายวาจาใจให้อยู่ในศีลอยู่ในความสงบสังคมของญาติโยมนี่ปกติถ้าเจอกันนี่คุยกันจ้อเลยถ้ามีงานมีงานอะไรนี่โหยไม่ว่าจะทำจะกินจะทำอะไรนี่เสียงดังกระหึ่ม ถ้าไปดูสังคมของพระของนักปฏิบัติฮะเวลาท่านฉันนี่เหมือนท่านนั่งสมาธิท่านฉันไปเงียบเงียบแม้แต่เสียงช้อนเสียงภาชนะอะไรก็ไม่มีไม่ให้ดังเสียงเคี้ยวก็ไม่ให้ดังเสียงเคี้ยวจุบแจ๊บกุบกรอบอย่างนี้ก็ไม่ให้เกิดขึ้นมาถ้าฉันแบบนี้ท่านถือว่าฉันแบบไม่มีสติเพลิดเพลินกับรสชาติของอาหาระ ต้องระมัดระวังทุกเวลาไม่ให้ส่งเสียงไปรบกวนผู้อื่นอันนี้การถือศีลแปดการสำรวมกายวาจาใจเป็นการเอื้อต่อการเจริญสติทำที่สำคัญที่สุดคือสติถ้าไม่มีสติสมาธิปัญญา วิมุติการบรรลุธรรมนี้จะปรากฏขึ้นมาไม่ได้ต้องเพียรสร้างสติก่อนจะเพียรสร้างสติได้ก็ต้องเพียรสร้างศีลแปดขึ้นมาก่อนแล้วก็เพียรไปหาที่สงบสงดวิเวกไปปลีกวิเวกอยู่คนเดียวเอไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครหัวใจคิดว่าเป็นเหมือนกับการไปรักษาร่างกายเขาแล้วกันะ เวลาร่างกายไม่สบายเราก็ต้องไปโรงพยาบาลไปให้หมอเขารักษาใจเราไม่สบายเราก็ต้องไปวัดไปรักษาใจกันไม่ให้คนอื่นต้องมาคอยมาติดตามมาคอยดูแลเพราะเป็นการรบกวนการรักษาใจพอรักษาหายแล้วก็กลับไปพบกันได้จะพบกันไปจนวันตายก็ได้ พระพุทธเจ้าหลังจากที่ตัดสรูแล้วพระองค์ก็พบกับกับญาติโยมพี่น้องเพื่อนฝูงตลอดเวลาใครอยากจะไปเยี่ยมไปห า, าก็ไปได้ใครอยากจะนิมนต์ให้ท่านไปเยี่ยมท่านก็รับนิมนต์ไปแต่ตอนช่วงที่รักษาใจนี่ท่านไม่ยอมไปพบใครเลยไม่ยอมให้ใครรู้เลยว่าไปอยู่ที่ไหน เ, เวลาหนีออกจากพระราชวังไป นีไปตอนเด็ดไม่บอกใครมีมหาเล็กไปส่งที่ชายแดนทนั้นเองพอพ้นชายแดนก็ให้กลับแล้วพระองค์ก็ออกเดินทางไปองค์เดียวไปหากลุ่มของผู้ปฏิบัติหาครูหาอาจารย์ที่จะสอนวิธีจเจริญสติที่จะสอนวิธีรักษาศี สอนวิธีนั่งสมาธิทำใจให้สงบนั่นนี่พระพุทธเจ้าปฏิบัติอย่างนี้แล้วพระพุทธเจ้าก็เอามาสอนพวกเราเพราะว่าการจะบรรลุธรรมก็ต้องมีการปฏิบัติเหมือนกันพระพุทธเจ้าบรรลุธรรมด้วยการไปเปรีกุ้เวกด้วยการไปอยู่สถานที่สงบสงดัดด้วยการไป รักษาศีลแปดรักษาศีลสิบรักษาศีลสองร้อยี่บเจ็ดด้วยการไปเจริญสติด้วยการไปนั่งสมาธิด้วยการไปเจริญปัญญาพอพระองค์ได้หลุดพ้นได้บรรลุแล้วพระองค์ก็นำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้ที่อยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลาย อยากจะบรรลุทำขั้นต่างๆก็ต้องปฏิบัติตามที่พุทธเจ้าทรงปฏิบัติผู้ที่ได้ยินได้ฟังแล้วน้อมนำเอาไปปฏิบัติก็บรรลุทำขั้นต่างๆกันขึ้นมาเป็นจำนวนมากเช่นในวันมาฆะที่ผ่านมานี้เป็นระยะเวลาเจดเดือนหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ประกาศพระธรรมคำสอนเป็นครั้งแรกคือในวันเพ็ญเดือนแปด วานาสาหะ บ, บูชาทรงสแสดงธรรมมาอย่างต่อเนื่องทุกวันเป็นภารกิจที่พระเจ้าทรงถือเป็นภารกิจประจำทรงปฏิบัติทุกวันสแสดงธรรมให้แก่ผู้ที่สนใจทมพอระยะเวลาเจดเดือนจากเดือนแปดมาถึงเดือนสามเดือนมาคานี้ก็มีพระอาหารหันอย่างน้อยหนึ่งพันสองอยห้าสิบรูป มาเฝ้าพระพุทธเจ้าจากสารทิตต่างๆโดยไม่ได้นัดหมายกันพระอาหารหันต์เหล่านี้เป็นพระที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้สอนเป็นผู้บวชให้อันนี้เป็นการแสดงให้เห็น อ, อำนาจของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าว่ามีประสิทธิภาพมากผู้ใดน้อมนำเอาไปปฏิบัติสามารถบรรลุผลได้อย่างรวดเร็ว ถ้ามีศีลสมาธิปัญญาถ้าไม่ถ้าไม่มีศีลสมาธิปัญญาก็จะบรรลุกันไม่ได้และการจะมีศีลสมาธิปัญญาได้ก็ต้องมีความเพียรที่จะพยายามสร้างรมเหล่านี้ขึ้นมานั่นเองดังนั้นเรามาสำรวจดูว่าตอนนี้เรามีอะไรบ้างเรามีศีลกี่ข้อ ครบแปดข้อหรื อ, อยังถ้ายัางก็พยายามสร้างให้มันขึ้นมาให้ครบแปดข้อถ้ามีแปดข้อแล้วมันจะเอื้อต่อการไปเจริญสติเราจะไม่มีอะไรมาคอยขัดขวางการไปเจริญสติของเราถ้ายัางไม่มีศีลแปดข้อนี้มันจะมีกิจกรรมอย่างอื่นมาคอยขัดขวางการเจริญสติการนั่งสมาธิ เชนถ้าเธอได้เพียงห้าข้อศีลงห้าสิ่ข้อที่สามก็ยังอนุ ญ, ญาตให้ไปร่วมหลับนอนกันได้สิ่งข้อที่เจ็ดก็อนุ ญ, ญาตให้ไปเที่ยวได้ไปเที่ยวตามแหล่งบันเทิงต่างๆไปดูมหรสพบันเทิงไปร้องนําทําเพลงไปงานอะไรงานเลี้ยงต่างๆได้ใครมีงัดงานวันเกิดก็ไปเลี้ยงได้ แต่ก็ต้องอเพราะว่าไม่ได้ถือศีลแปดนั่นเองถ้าถือศีลแปดก็ทำกิจกรรมเหล่านี้ไม่ได้ศีลแปดห้ามหมดห้ามร่วมหลับนอนกันห้ามรับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วการจะมาจัดงานเลี้ยงตอนค่ำเลี้ยงงานวันเกิดจะองอะไรกินไม่ได้จะมีร้องนำทำเพลงก็ร้องนำทำเพลงไม่ได้ จะแต่งเนื้อแต่งตัวก็แต่งไม่ได้ศีลแปดห้าหมดเพื่อที่จะได้ไม่ไปเสียเวลากับการทำกิจกรรมเหล่านี้นั่นเองเพื่อที่จะได้เอาเวลามาเจริญสติมาปริกวิเวกดังนั้นถ้าเรายังมีเพียงศีลห้าเราก็ควรจะตั้งเป้าหมายแล้วว่าต่อไปนี้เราจะต้องเพิ่มศีลเป็นศีลแปด ตอนต้นก็อาจจะเอาวันที่เราสะดวกถ้าเราหยุดทำงานอาทิตย์หนึ่งเรามีวันหยุดสองวันแต่วันหนึ่งอาจจะต้องไปใช้กับครอบครัวกับเพื่อนฝูงอีกวันหนึ่งก็เอามาใช้กับการปฏิบัติทำไปอยู่วัดถ้าอยู่ได้ถ้าไม่มีวันถ้ามีที่ของเราเองที่เราอยู่คนเดียวได้ก็ไปอยู่คนเดียวแล้วก็ไป ฝึกสติต่อไปมันก็จะทําให้เราเริ่มมีศีลขึ้นมาครบบริบูรณ์เริ่มมีศีล์แปดพอเราเริ่มมีศีล์แปดเราก็จะมีเวลาที่จะมาลเจริญสติเมาค่อยควบคุมความคิดของเราไม่ให้คิดเพราะเราต้องการหยุดความคิดถ้าไม่หยุดความคิดสมาธิจะเกิดขึ้นมาไม่ได้ สมาธิแปลว่าความตั้งมั่นของจิตในความสงบจะจิตจะตั้งมั่นอยู่ในความสงบได้ต้องไม่มีความคิดปรุงแต่งการที่จะไม่มีความคิดปรุงแต่งก็ต้องมีสติคอยกคอยควบคุมไม่ให้คิดนั่นเองธรรมาดาถ้าเราไม่มีสติเราจะคิดเรื่อยเปื่อยทําอะไรไปเราก็คิดไปด้วยบางทีไม่ได้คิดกับงานที่เราทําเสียได้ซ้ําไป คิดกับเรื่องอื่นบางทีต้องย้อนกลับมาว่าเอ๊ะเมื่อกี้เราทําตรงนี้หรืยอยังเพราะตอนที่ทำํำมันไม่ได้อยู่กับงานที่เรากําลังทําอยู่เรากําลังไปคิดเรื่องอื่นคิดถึงคนนั่นคนนีอ้อย่างนี้เรียกว่าไม่มีสติคือใจลอยใจลอยไปลอยมากับความคิดต่างๆต้องหยุดความคิดเหล่านี้หยุดไม่ให้ใจลอยให้ใจตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบัน อยู่ในขณะนี้เดี๋ยวนี้ที่นี่ตรงนี้ตอนนี้กำลังทําอะไรก็ให้อยู่กับการกระทํากำลังเดินก็ให้อยู่กับการเดินอย่างเดียวกำลังยืนก็ให้อยู่กับการยืนกำลังนั่งกำลังนอนกำลังทําอะไรต่างๆกำลังหวีผ้าหวีผมกำลังแต่งเนื้อแต่งตัวขอให้มีสติกำกับไว้ให้เฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกาย อย่าให้ใจไปอยู่ที่อื่นเรียกว่ามีสติโดยอาศัยการใช้ร่างกายเป็นที่ตั้งสติขึ้นมาภาษาพระภาษ า, า, า, าบาลีเรียกว่ากายกปาสติการมีสติอยู่ที่กายอันนี้เป็นการสร้างสติขึ้นมาไม่ให้ใจลอยไม่ให้ใจคิดบุงแต่งพุ่งสร้างไปกับเรื่องราวต่าง ๆ, ๆพอเราทำอย่างนี้ได้ ในช่วงที่เราต้องมีการขึ้นไหวมีการกระทำอะไรต่างๆทางร่างกายพอเราว่างจากภารกิจที่เราต้องทำเช่นอาบน้ําอาบท่าล้างหน้าแปรงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารพอเราเสร็จแล้วทีนี้เราก็มาเดินจงกรมก่อนถ้ารับประทานอาหารเสร็จใหม่ๆถ้ามานั่งสมาธิมันนักจะหลับเพราะว่าเวลาร่างกายอิ่มมันจะรู้สึกสบาย แล้มันอยากจะนอนองอั้นถ้าหลังจากรับประทานอาหารนักปฏิบัติส่วนใหญ่จะไม่นั่งกันะจะเดินจงกรมกันก่อนเดินจงกรมกันสักชั่วโมงสองชั่วโมงเอให้อาหารมันย่อยหมดไปก่อนให้ท้องเบาขึ้นมาให้หนังมันหย่อนหนังท้องหย่อนหนังตาถึงจะตึงะถ้าหนังท้องตึงหนังตามันจะหย่อน เห็นช่วงที่รับประทานอาหารเสร็จนี้ถ้านั่งแล้วง่วงสับประงกหลับก็อย่านั่งดีกว่าเดินจงกรมแทนเดินก็ได้สติเหมือนกันได้ผลดีกว่านั่งเพราะนั่งแล้วหลับแสดงว่าสติเราไม่มีกำลังพอเราต้องลุกขึ้นมาเดินจงกรมเวลาเดินก็มีสติอยู่กับการเดินจะดูเท้าก็ได้ซ้ายขวาซ้ายขวาไปหรือจะ บริกรรมพุทโธไปก็ได้ไม่ต้องดูเท้าก็ได้พุทโธพุทโธไปเดินไปก็พุทโธพุทโธไปเดินไปแล้วก็เดินกลับเดินกลับแล้วก็เดินไ ป, ประยะทางโดยจงกรมส่วนใหญ่มักจะประมาณยี่สิบห้าเก้าขึ้นไปยี่สิบห้าเก้าถึงสี่สิบเก้าแล้วแต่ความเหมาะสมของสถานที่ถ้ามีไม่ได้ก็จะต้องลดลงมาเหลือสิบห้าขั้นยี่สิบขั้น ถ้าอยู่ที่แคบๆอาจจะต้องเดินแบบไม่ไม่หันกลับเดินไปเดินหน้าแล้วก็เดินถอยหลังอันนี้เพราะถ้าคอยหันกลับมันจะเวียนศีรษะเดินไปได้สิบเก้าต้องหันกลับเดี๋ยวมาเดินอีกสิบเก้าต้องหันกลับอีกก็ใช้เดินแบบเดินเดินเดินหน้าแล้วเดินถอยหลังไปพอเดินสิบเก้าเดินไปข้างหน้าแล้วก็เดินถอยหลังสิบเก้าก็ได้ ถ้าอยู่ในที่จำกัดไม่มีที่เดินจริงๆเพื่อให้มีสติสร้างสติขึ้นมาเพื่อให้ร่างกายหายง่วงพอเดินจนเมื่อยแล้วทีนี้ก็ลองมานั่งสมาธิต่อได้มานั่งหลับตาถ้ามีสติเราก็จะสามารถที่จะดึงใจให้อยู่กับการดูลมก็ได้ถ้าดอนเดินเราดูร่างกายดูเท้า ตอนนั่งเราก็มาดูลมแทนเพราะตอนนั่งนั่งกายไม่เคลื่อนไหวแล้วมีสิ่งที่เคลื่อนไหวอยู่สิ่งเดียวก็คือลมหายใจเข้าออกก็ให้เฝ้าดูลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกเพราะลมจะเข้าลมจะออกจะสัมผัสอยู่แถวบริเวณปลายจมูกเราจะรู้สึกว่าลมเข้าตรงนั้นเวลาลมเข้าก็ให้รู้ว่าลมกาลังเข้ามา เวลาลมออกก็ให้รู้ว่าลมกำลังออกไปไม่ต้องบังคับลมไม่ต้องไปสั่งให้ลมหายใจลึกๆหายใจยาวๆอันนี้เป็นการทำงานของใจเราไม่ต้องการให้ใจทำงานใจให้ให้รู้เฉยๆเพราะถ้าใจต้องทำงานต้องบังคับลมใจจะไม่สงบนั่นเองใจยังทางานอยู่เราต้องการหยุดการทำงานของใจ ด้วยการให้ใจรู้เฉยๆรู้ลมว่ากำลังเข้าหรือกำลังออกรู้ว่าสั้นหรือว่ายาวรู้ว่าละเอียดรรู้ว่าอยากรู้ว่าหายไปก็ให้รู้ว่าลมไม่มีให้ดูก็ดูความว่างไปดูว่าใจจะดูเฉยๆได้หรือไม่ถ้าคิดก็ต้องหยุดความคิด ถ้าดูอย่างนั้นเดี๋ยวใจก็จะหิิงเข้าสู่ความสงบเองพอเข้าสู่ความสงบก็จะปล่อยลมไม่สนใจบางทีไม่ปล่อยร่างกายบางทีร่างกายอาจจะหายไปก็ได้เหลือแต่ผู้รู้อยู่ผู้เดียวรู้แต่ความรู้อยู่ตัวเดียวว่ากำลังรู้อยู่กับความว่างอยู่กับความสงบรู้อยู่กับความนิ่งของใจ รู้ว่าตอนนี้ใจเป็นอุเบกขาไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงใจจะเฉยเฉยถ้ามีการรับรู้ทางร่างกายว่าตอนร่างกายเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ใจก็จะเฉยเฉยกับความเจ็บได้จะไม่รู้สึกเดือดร้อนถ้าได้ยินเสียงก็จะไม่ลำคานกับเสียงที่ได้ยินถ้าใจเป็นอุเบกขาแล้วใจจะเฉยกับทุกสิ่งทุกอย่างได้ นี่แหละคือสมาธิเนี่ยถ้าเข้าไปแล้วสงบเดียวเดียวเราก็เรียกว่าคณิกาสมาธิเข้าไปปุ๊บแบบงูแลบลิ้นพอสงบปั๊บแล้วก็ถอนออกมาเนื่องจากกำลังของสติมีเท่านั้นหมดถูกกำลังของกิเลสตัณหาผลักดันออกมาใหม่อันนี้ก็ต้องกลับมาเริ่มเจริญสติใหม่ถ้าสงบปั๊บหนึ่งแล้วดิ้งออกมา เราก็กลับมาดูลมหายใจใหม่แล้วก็ดูต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวสติและมีกำลังมากขึ้นมากขึ้นก็จะเข้าไปสู่ความสงบได้แล้วก็อยู่ได้นานขึ้นนานขึ้นถ้าอยู่ได้นานเราก็เรียกว่าอัปปนาสมาธิเนี่ยนี่คือสมาธิที่เราต้องการคืออัปปนาสมาธิทำให้ใจพักผ่อนทำให้ใจมีพลังทำให้ใจมีอุเบกขา ทำให้ใจมีความสุขจะทำให้ใจสามารถต่อไปออกไปทางวิปัสสนาทางปัญญาได้เพราะเป้าหมายของการปฏิบัติก็เพื่อละกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆจะละได้ก็ต้องมีสิ่งใหม่มาทดแทนสิ่งเก่าสิ่งที่เราได้จากสมาธิก็คือความสุขแบบใหม่ ความสุขแบบใหม่ที่ดีกว่าความสุขแบบเก่าความสุขแบบเก่าที่เราได้จากการทำตามความโลภความอยากนี่มันสู้ความสุขที่ได้จากความสงบไม่ได้พอเราได้ความสุขจากความสงบเราก็จะสามารถไปบอกกิเลสตัณหาว่าต่อไปนี้อย่ามาชวนเราไปโลภไปอยากเพราะเราได้ความสุขใหม่ที่ดีกว่าความสุขเก่าแล้วต่อไปนี้ไม่ต้องไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรส ไม่ต้องไปหาความสุขจากคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้พอเกิดความอยากขึ้นมาใจก็จะบอกกิเลสแปลว่าไม่ไปแล้วความสุขแบบเก่านี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ควบคุมบังคับไม่ได้ควบคุมให้มันอยู่กับเราเป็นของเราไปเรื่อยๆไม่ได้มันเป็นความสุขแบบควันไฟได้มาแล้วเดี๋ยวก็จางหายไป สู้ความสุขที่ได้จากสมาธิไม่ได้เป็นความสุขที่เราสามารถที่จะรักษาไว้ได้ทุกครั้งที่เราต้องการความสุขแบบนี้เราก็เข้าไปในสมาธิทำใจให้สงบควบคุมความคิดหยุดความคิดให้ได้เราก็มีความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากสิ่งต่างๆในโลกนี้ แต่เวลาใจออกมาจากสมาธิกิเลสมันจะโผล่ขึ้นมาแล้วมันจะมาคอยชวนให้เรากลับไปหาความสุขแบบเก่าตอนนั้นเราก็ต้องมาใช้ปัญญาที่พระเจ้าสอนว่าความสุขแบบเก่านี้เป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงได้มาแล้วเดี๋ยวมันจะจางหายไปมันเป็นสิ่งที่เราควบคุมบังคับให้เที่ยงไม่ได้ให้อยู่กับเราไปเรื่อยๆไม่ได้พอมันหมดเราก็ต้องหาใหม่ ต้องหาใหม่เรื่อยๆหามาได้เท่าไหร่เดี๋ยวก็หมดแล้วเวลาหาไม่ได้ก็ทุกข์ในเวลาที่มันจากเราไปก็ทุกข์สู้อย่าไปหาความสุขแบบนี้ดีกว่านี่คือการเจริญปัญญาหลังจากที่เราออกจากสมาธิมาแล้วถ้ามีกิเลสตัณหามาชวนให้เราไปอยากกับสิ่งนั้นสิ่งนี้เราต้องบอกว่าไม่เอา พราะสิ่งต่างๆนั้นเป็นทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงเพราะว่าเราไม่สามารถควบคุมบังคับให้มันเที่ยงให้มันเป็นของเราไปได้ตลอดนั่นเองก็คือให้เราเห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอันนี้คือปัญญาการเห็นสิ่งต่างๆที่กิเลสตัณหาต้องการว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี้เรียกว่าปัญญาถ้าเห็นด้วยปัญญาแล้วก็จะบรรลุธรรมได้ จะกาจัดกิเลสตัณหาต่างๆที่เป็นตัวขวางกั้นการบรรลุ ธ, ธรรมนั่นเองพอ ก, กิเลสที่ขวางกั้นการบรรลุ ธ, ธรรมถูกทาลายไปการบรรลุ ธ, ธรรมก็จะปรากฏขึ้นมาทันทีผลก็จะปรากฏขึ้นมาอันนี้เกิดจากการที่เร า, เาสร้างศีลสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาในช่วงที่เราอยู่ในขั้นสร้างสมาธิ าเราเพิ่งได้สมาธิใหม่ๆเรายังไม่ต้องออกไปทางปัญญาก่อนก็ได้มาฝึกสมาธิให้ชำนาญก่อนเหมือนเวลาเราหัดขับรถใหม่ๆเรายังไม่ชำนาญเราอย่าเพิ่งไปลงสนามแข่งอย่าไปขับบนถนนท้องถนนที่มีรถเยอะอาจจะต้องหัดขับตามในซอยตามอะไรที่ที่ไม่มีรถวิ่งมากก่อนเพื่อเราจะได้ฝึกให้ชำนาญก่อน พอเรามีความชำนาญมีความมั่นใจที่จะลงไปตามถนนใหญ่ได้เราค่อยลงไปต่อไปการฝึกสมาธิช่วงแรกๆพอเราได้สมาธิได้ความสงบแล้วเวลาออกจากสมาธิมาอย่าเพึ่งไปทางปัญญามาทางสมามาทางสติก่อนกลับมาเจริญสติต่อดีกว่ากลับมาฝึกสติก่อน คอยควบคุมใจให้อยู่กับร่างกายหรือให้อยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธไปแล้วพอเราต้องการจะเข้าสมาธิเราก็เข้าได้อย่างง่ายดายถ้าการเข้าสมาธิของเราแต่ละครั้งยังยากอยู่ยังเหมือนปีนภูเขาอยู่นี่ก็อย่าเพิ่งไปทางปัญญาเพราะว่าถ้าไปทางปัญญานี้มันจะต้องใช้ความคิดนั่นเอง พอใช้ความคิดแล้วบางทีมันก็หยุดคิดไม่ได้ะงั้นถ้าเรายังหยุดควบคุมความคิดไม่ได้สั่งให้มันเข้าสู่สมาธิไม่ได้ก็มาฝึกสติเพื่อควบคุมความคิดให้ได้ก่อนจนเราชํานาญต้องการเข้าสมาธิเมื่อไหร่ก็สามารถเข้าได้ทันทีเข้าได้อย่างง่ายดายนั่งเพียงห้านาทีใจก็สงบได้นะ ถ้านั่งไปเป็นครึ่งชั่วโมงโชั่วโมงบางทีก็ไม่สงบนี่ถ้าอย่างนี้อย่าเพิ่งไปทางปัญญาไปแล้วก็จะยิ่งทำให้จิตฟุ้งซ่านยิ่งควบคุมความคิดได้ยากต้องพยายามฝึกสมาธิให้มันแน่นให้มันชนานาญสามารถสั่งให้มันสงบได้ทุกเวลานาทีแล้วตอนนั้นถึงควรที่จะไปทางปัญญาต่อไปถ้าไม่ไปเราก็เรียกว่าติดสมาธิ บงคนปฏิบัติได้สมาธิจิตสงบแล้วก็มีความสุขกับความสงบก็เลยพอใจอยากจะอยู่ในสมาธิอยากจะเข้าสมาธิไปเรื่อยๆพอออกจากสมาธิมาก็จะกลับเข้าไปใหม่อย่างนี้เรียกว่าติดสมาธิการติดสมาธิมันไม่มีโทษเพียงแต่ว่ามันทำให้เราไม่ก้าวหน้าท่านเองติดระดับสมาธิไม่ก้าวขึ้นสู่ปัญญา ถ้าเรามีสมาธิที่แนบแน่นที่มั่นคงที่ชำนาญแล้วเราต้องเวลาออกจากสมาธิมาเราก็ต้องฝึกเจริญปัญญามันพิจารณาไตายักณกับสิ่งต่างๆที่เรายังรักยังชอบยังอยากได้ยังอยากมีอยากเป็นอยู่พิจารณาให้เห็นว่ามันเป็นตายรักษณ์มันเป็นทุกข์มันไม่เที่ยงเราควบคุมบังคับมันให้เป็นของเราไปตลอดไม่ได้ ไม่ช้าก็เร็ววันใดวันหนึ่งมันก็ต้องมีการจากกันเวลามันจากเราไปเราก็เสียใจร้องห่มร้องไห้กันถ้าใจเรายังทุกข์กับเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่คนนั้นคนนี้อยู่สิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่แสดงว่าเรายังไม่เห็นตายรักยังไม่เห็นตายรักในสิ่งเหล่านั้นเรายังไปยึดไปติดไปอยากให้สิ่งเหล่านั้นอยู่กับเราเป็นของเราไปเรื่อยๆอยู่ เราต้องมาพิจารณาว่าเขาอยู่กับเราไปเรื่อยๆได้จริงหรือไม่ไม่มีอะไรจะอยู่กับเราไปได้ตลอดไม่จากกันตอนเป็นก็ต้องจากกันตอนตายแม้แต่ร่างกายของเรามันก็ต้องจากกันเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นเพียงผู้ใช้ร่างกายเราเป็นนายร่างกายเป็นบ่าวเราเป็นผู้รู้ผู้คิดผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆให้กับเรา แต่เราทำด้วยความหลงด้วยความคิดว่าการหาสิ่งต่างๆผ่านทางร่างกายจะให้ความสุขกับเราแต่พอเรามาศึกษามาปฏิบัติธรรมพอได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเราก็จะเห็นว่ามันไม่ได้เป็นสุขมันเป็นทุกข์มันเป็นสุขเดี๋ยวเดียวสุขตอนต้นเวลาได้อะไรมาก็มีความสุขแต่พอสูญเสียสิ่งที่ได้มาไปก็กลายเป็นความทุกข์ไป นี่คือการพิจารณาด้วยปัญญาต้องพิจารณาว่าไม่ว่าจะได้อะไรมาไม่ช้าก็เร็วก็ต้องเสียไปมีมาก็ต้องมีไปมีได้ก็ต้องมีเสียมีเกิดก็ต้องมีดับมีเจริญก็ต้องมีเสื่อมให้คิดอย่างนี้ถึงจะเรียกว่ามีปัญญาเห็นอ น, นิจจเพอเห็นอ น, นิจจงมันก็จะเห็นทุกขขังตามมา พอมีอานิจจังแล้วมันก็จะต้องทุกขังใช่หไหมเวลาไปงานศพนี่ก็ไปอานิจจังไปพิจารณาร่างกายใช่หไหมอานิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอะมีการเกิดตั้งอยู่แล้วดับไปเป็นธรรมดาการปล่อยวางสังขารได้เป็นสุขอย่างยิ่งเนี่ยพิจารณาให้เห็นว่าสังขารทั้งหลายที่เราไปยึดไปถือว่าเป็นเราเป็นของเรา จะต้องมีวันจิ้นสุดลงถ้าไปยึดไปถือไม่ปล่อยวางเวลาเขาจากเราไปก็จะทุกข์แต่ถ้าเราปล่อยวางเพราะเรารู้ทันรู้ความจริงว่าสักวันหนึ่งเขาเกับเราจะต้องมีการพัดภาคจากกันเป็นธรรมดาพอเราปล่อยวางได้ใจเราก็สบาย เวลาเขาตายเวลาเขาจากเราไปเราก็ไม่เดือดร้อนไม่ทุกข์ไม่เศร้าโศกเสียใจแต่อย่างใดต่อจะบังคับให้มันร้องไห้มันก็ไม่ยอมร้องถ้าใจมันเห็นความจริงแล้วถ้ามันปล่อยวางแล้วมันไม่ยอมมันไม่ร้องไห้แล้วไปบังคับให้มันร้องมันก็ไม่ร้องเพราะมันรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเพราะมันไม่ยึดไม่ติดแล้วไม่มีความอยากในสิ่งนั้นแล้วรู้ว่ามันไม่ได้เป็นใครเลย สังขารร่างกายก็เป็นเพียงดินน้ำลมไฟนี้เองทำมาจากดินน้ำลมไฟเป็นเหมือนตุ๊กตาตัวหนึ่งคนที่ใช้ร่างกายนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายของเขาเช่นร่างกายของแม่ตายนี่แม่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายของแม่แม่ก็แยกจากร่างกายของแม่แล้วแม่ก็ไปต่อไปตามอำนาจของบุญของบาป ท, ที่แม่ได้ทำไว้ต่อไป ถ้ายังมีกิเลสตัณหายังอยากจะหาความสุขถ้าผ่านทางร่างกายเดี๋ยวแม่ก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่ต่อไปนี่คือการการเจริญปัญญาจะเห็นอย่างนี้จะเห็นว่าไม่มีใครตายสิ่งที่ตายก็คือดินน้ำลมไฟไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่ไม่ใช่พี่ไม่ใช่น้องไม่ใช่ลูกไม่ใช่สามีภรรยา เป็นเพียงร่างกายที่ทำมาจากดินน้ำลมไฟผู้ที่ใช้ร่างกายไม่ได้ตายไปกับร่างกายผู้ที่สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆก็ไปต่อไปตามอำนาจของบุญของบาปต่อไปแล้วก็ไปรับร่างกายอันใหม่ถ้ายังมีกิเลสตัณหาอยู่นี่คือปัญญาที่เราจะต้องพิจารณาให้เห็นตายลับในทุกสิ่งทุกอย่าง อนัตตาก็คือไม่มีตัวตนของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ทรมาจากดินน้ำนมไฟทั้งนั้นเป็นวัตถุเ <c oughs> ช่นของต่างๆที่เราใช้นี่มันก็เป็นวัตถุทรมาจากส่วนใหญ่เป็นวัตถุเป็นธาตุดินกันบางอย่างก็เป็นธาตุน้ำเช่นน้ำที่เราเดิมกันเครื่องเดิมต่างๆก็เป็นธาตุน้ำอาหารนี้ก็มีทั้งธาตุน้ำธาตุดินปนกันมา แล้วลมหายใจที่เราหายใจเข้ามาก็เป็นธาตุลมเอธาตุไฟก็คือความร้อนที่เราได้รับจากแสงแสงพระอาทิตย์จึงทำให้ร่างกายนี้อยู่ได้จเจริญเติบโตขึ้นมาได้แต่มันก็ต้องแก่เจ็บตายไปเป็นธรรมชาติของมันต่อไปหลังจากที่มันจเจริญเติบโตเต็มที่มันก็จะแก่ลงแล้วมันก็จะหยุดหายใจ พออย่ทหายใจธาตุทั้งสี่ที่มารวมกันในร่างกายก็จะแยกทางกันไปธาตุน้ำก็จะแยกออกจากร่างกายธาตุลมก็จะแยกออกจากร่างกายธาตุไฟก็จะแยกออกจากร่างกายเดี๋ยวก็จะเหลือแต่ธาตุดินกลายเป็นโครงกระดูกกลายเป็นหนังแห้งกรอบหุ่มหอ่อแล้วก็ผุพังกลายเป็นดินต่อไป นี่คือสิ่งที่เราต้องหมั่นพิจารณาให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นเพียงธาตุสี่ดินน้ำลมไฟไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีหญิงไม่มีชายไม่มีพ่อไม่มีแม่ในธาตุทั้งสีน่นี้ตัวพ่อแม่นี้ตัวพี่น้องตัวคนนั้นคนนี้อยู่ในธาตรู้ธาตรู้ก็คือใจ ใจผู้รู้ผู้คิดนี้ก็แยกออกจากธาตุสีเวลาที่ร่างกายตายไปถ้ารู้นี้ก็ไปตามอำนาจของบุญของบาปที่ได้ทำไว้ถ้ารู้ถ้าทำบุญก็จะไปสู่สุขคติถ้าทำบาปก็จะไปสู่อบายแล้วพอพ้นจากสุขคติพ้นจากอบายก็จะกลับมาได้ร่างกายอันใหม่ได้ธาตุสีอันใหม่เพื่อที่จะได้มาทำสิ่งที่อยากทำต่อไป แต่ถ้าได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้มาปฏิบัติธรรมตามคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้าได้ดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าการเวียนว่ายตายเกิดของทารกรู้นี้เกิดจากตัญหาความอยากก็มาฝึกวิปัสสนามาตัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจด้วยการเห็นไจรักษณด้วยการเห็นธาตุสีเดินน้ําลมไฟด้วยการเห็นอนิจจังไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตาย ด้วยการเห็นความทุกข์ที่เกิดจากความไม่เที่ยงมันก็จะทำให้หยุดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจได้พอหยุดความต่างความอยากต่างๆที่อยู่ในใจหมดไปธาตุรู้นี้ก็จะเป็นธาตุที่สะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาธาตุรู้นี้เราก็จะเรียกว่านิพพ า, านนิพพานธาตุก็ได้จะเรียกว่านิพพานธาตุก็ได้เป็นธาตุที่จะไม่เปน มีร่างกายใหม่อีกต่อไปจะไม่ไปรประกอบกับธาตุสีคือร่างกายอันใหม่เพราะการมีร่างกายทีไรมันก็ต้องมีการแกร่การเจ็บการตายของร่างกายทุกครั้งไปเวลามีแก่เจ็บตายก็มีแต่ความทุกข์กันมีการพัดพรากจากกันก็เลยไม่มาเกิดดีกว่าไม่มีธาตุสีดีกว่าอยู่ธาตุเดียวดีกว่า อยู่ธาตุรู้ตามลำพังนี่นี่คือธาตุของพระพุทธเจ้าธาตุรู้ของพระพุทธเจ้าธาตุรู้ของพระอาหารหันตาสาวกท่านอยู่ตามลำพังท่านไม่ต้องมีร่างกายไม่ต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสไม่ต้องมีลาบยศรรเสรญมาให้ความสุขกับท่านเพราะธาตุรู้ที่สะอาดบริสุทธินี้เต็มเปลี่ยนไปด้วยบรมสุขนั่นเองที่เราเรียกว่านิบานังปรมังสุขขัง ความสุขอันสูงสุดนี่คือความสุขของพระนิพพานไม่มีความสุขอันใดในโลกนี้ที่จะสามารถมาเปรียบเทียบได้กับความสุขของพระนิพพานเพะความสุขของพระนิพพานนี้ถาวันเต็มร้อยไม่เหมือนกับความสุขที่เราได้จากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสจากคนนั้นคนนี้จากสิ่ง น, นั้นสิ่ง น, นี้เป็นความสุขชั่วคราว เป็นความสุขที่มีความทุกข์ตามมาอันนี้ใครได้ความสุขแบบบรมังสุขขังแล้วได้ความสุขของพระนิพพานแล้วก็จะไม่ไปหาความสุขจากความสุขแบบเดิมที่เคยหามาเหมือนกับถ้าเราขับรถเก่าพอเราได้รถคันใหม่ที่ดีกว่าคันเก่าเราก็ไม่ขับแล้วคันเก่ายกให้คนอื่นไปใครอยากจะได้ก็ให้เขาไปนึอขายทิ้งไป ขับคันใหม่มันดีกว่ารถรุ่นใหม่มันดีกว่ารุ่นเก่าเยอะแยะรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้แทบจะไม่ต้องขับเลยนั่งเฉยๆมันขับให้เราสบายกว่าเยอะแยะนี่ก็เหมือนกันความสุขของพระนิพพานก็เป็นความสุขรุ่นใหม่สุดใหม่เอี่ยมสุดสดสดร้อนร้อนออกมาจากโรงงานเลยคือความสุขของพระนิพพานนี่ไอเราขับรถเก่ามาหลายปีแล้วต้องคอยซ่อมคอยอะไรอยู่เรื่อย พอได้รถใหม่แล้วก็ไม่เอาละรถเก่าก็อยากจะได้ก็ให้เขาไปหรือขายไปขับรถใหม่ดีกว่าไม่มีปัญหาต้องการจะไปไหนไมเมื่อไรเวลาใดมันไปทันทีเลยไม่เหมือนรถเก่าบางทีจะไปสตาร์ทแล้วสตาร์ทอีกก็ไม่ยอมไป ท, ทันทีนี่คือการเปรียบเทียบระหว่างความสุขที่ได้จากการทำความทาตามความอยากต่าง มันเป็นความสุขแบบไม่แน่นอนเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่จะทำให้เราปวดหัวทีหลังเวลามันไม่สามารถให้ความสุขกับเราได้พอเรามาได้ความสุขของพระนิพพานแล้วเป็นความสุขที่ได้ตลอดเวลาทุกครั้งทุกเวลาเวลาไหนต้องการมันก็มาทันทีอันนี้มันไม่เพราะมันไม่ได้จากเราไปเลยมันอยู่กับเราตลอดเวลานี่แหละคือ สาเหตุทำไมพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายจึงไม่กลับมาเกิดอีกต่อไปก็เหมือนกับคนที่ขับรถใหม่แล้วจะไม่ไปขับรถเก่าอีกต่อไปเพราะว่ามันต่างกันเหมือนฟ้ากับดินนั่นเองนี่แหละคือการบรรลุธรรมที่จะปรากฏต่างขึ้นมาถ้าเรามีความเพียรพยายามทมท่านแสดงไว้แล้วว่าหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยความเพียร ความเพียรพระพุทธเจ้าก็สอนให้เพียรสีลักษณะด้วยกันเพียรสร้างธรรมที่ยังไม่มีให้เกิดขึ้นสองเพียรรักษาธรรมที่มีอยู่แล้วไม่ให้หายไปสาเพียรละธรรมอธรรมก็คือคู่ต่อสู้กับธรรมนั้นเองก็คือกิเลสตัณหาเพียรละกิเลสตัณหาหรื อ, อธรรมที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไป แล้วก็เพียรนักษาป้องกันไม่ให้อาธรรมที่ได้ได้กำจัดแล้วให้พื้นกลับคืนมาสู่ใจอีกต่อไปจะทาได้ก็ต้องจเจริญศีล ส, สมาธิปัญญานี่เองถ้าเรามีศีลสมาธิเราก็จะมีเครื่องมือไว้กำจัดกิเลสตัณหาต่างๆมีเครื่องมือที่จะสร้างธรมต่างๆปรากฏขึ้นมาในใจจนได้บรรลุธรรมขั้นต่างๆ จนไปถึงขั้นสูงสุดคือขั้นพระนิพพานตามลำดับต่อไปดังนั้นขอให้พวกเราถือความเพียรเป็นหลักเป็นหัวใจของการปฏิบัติอย่าเกียจคร้านอย่าท้อแท้อย่าเบื่อหน่ายทุกครั้งที่ท้อแท้เบื่อหน่ายให้คิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงพระอาหารหันตสาวกคิดถึงครูบาอาจารย์ที่ท่านฟันฝ่ า, ากิเลสตัหา ความท้อแท้เบื่อหน่ายด้วยความเพียรเราจะทําให้เราเกิดความเพียรเกิดความพยายามขึ้นมาหรือให้เราเลึกถึงความแก่ความเจ็บความตายที่มันกําลังตามเรามาอยู่ถ้าเราไม่รีบปฏิบัติเดี๋ยวมันจะต้องมาตามเราทันจะมาสร้างความทุกข์ให้กับเราถ้าเราปฏิบัติเราก็จะอยู่ห่างไกลจากความแก่ความเจ็บความตายจากความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นจากความแก่ความเจ็บความตาย ถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเราก็จะเกิดความเพียรพยายามขึ้นมาเราก็เพียรต่อไปถ้าเราเพียรไม่หยุดไม่หยอ่อนรับรองได้วันหนึ่งวันใดจะต้องบรรลุธรรมตามที่พุทธเจ้าได้สง่งรับประกันไว้ไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนไม่เจ็ดเดือนก็เจดปีอย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวะหาปุราปะเรปุรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทิน e ังเปตานังอุปกาปติอิชิตังปฏทิตังตุมห um ังคิดเมวะสามิจโตสัพเพปุรนตุสังกปา จันโทปนาราโสยะามณิโจดีวระโสยะาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสสตุมาเตผวะตวันตรายสุขีทีคายุโกภวะ อพิวาธนาสีดิตสะนิจังอุทธาประจายินโนจัตโรธมะวะทานติอายุวันโอสุขังพาลาม <c oughs> วันนี้เข้ามาเท่าไหร่วันนี้ทางเฟสบุ๊กเข้ามาสี่ร้อยสามสิบสี่ยูทู สองร้อยห้าสิบิทยุออนไลน์สามสิบสี่รับฟังข้างบนนี้เจ็ดสิบคนรวมทั้งหมดเจ็ดร้อยแปดสิบแปดครับช่วงนี้เกินเจ็ดร้อยทุกวันนะใครมีคำถามก็เชิญถามได้ในช่วงนี้ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ถ้าไม่มีก็เอาคำถามทางบ้านก่อนอ คำถามจากคุณสุวิมลจิตนี้เศร้าเหลือเกินควรปฏิบัติตนเพื่อบันเทาได้อย่างไรเช้าคะก็เพราะไม่มีสติคอยควบคุมนี่ยปล่อยให้ปรุงแต่งคิดแต่เรื่องเศร้าคิดไปเรื่องของกิเลสตัณหาที่เป็นเครื่องเศร้าหมองของจิตใจจิตใจเศร้าหมองเพราะกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆ พอไม่ได้สิ่งที่อยากได้ก็ทำให้เศร้าให้เสียใจให้เสืมเศร้าฉนั้นต้องหยุดกิเลสตัณหาด้วยการหยุดความคิดปรุงแต่งหยุดด้วยการเจริญสติวิธีสร้างสติที่ง่ายที่สุดก็ให้มันพุทโธพุทโธพุทโธ ท, ท่องพุทโธไปภายในใจหรือสวดมนต์ไปภายในใจก็ได้สวดอิติปิโสร้อยจบไปก็ได้ อนือสวดพุทธังธรรมังสังขังสละนังกัจฉามิไปเรื่อยๆก็ได้อย่าปล่อยให้ใจไม่มีสติไม่ให้มีการสวดมนต์หรือไม่มีการบริกรรมพุทโธใจมันก็จะไปคิดอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วมันก็จะเศร้าเพราะว่ามันมันจะไม่ได้มันมักอยากไปอยากได้ในสิ่งที่มันเอาไม่ได้สิ่งที่เอาได้มันมักจะไม่เอามันก็เลยเศร้า ถ้าเอาสิ่งที่เราเอาได้มันก็จะไม่เศร้าแต่มันไม่ชอบมันชอบสิ่งที่เราไม่ได้สิ่งที่มีแล้วมันไม่อยากได้ละแต่สิ่งที่ไม่มีมันอยากจะได้มันก็เลยเศร้าคำถามต่อไปจากคุณจินคอบคำว่ารู้เท่าหมายความว่ารู้เท่าทันกิเลสตัณหาที่คอยกั้นขวางความหลุดพ้นหรือเปล่าครับ รู้เท่าทันความจริงที่กิเลสตัณหาไม่รู้นั่นเองรู้เท่าทันความจริงว่าทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพอรู้ทันความจริงกิเลสตัณหามันก็หดไปทันทีพอรู้ว่าสิ่งที่อยากจะได้ทำให้เราทุกข์เราอยากจะได้ไหมถ้ารู้ว่าเครื่องดื่มนี้ดื่มเข้าไปแล้วท้องเฉียท้องเสียนีย้จะจดื่มหมถ้าก็เขียนไว้ติดป้ายว่าอันตรายดื่มแล้วท้องจะเสียจะดื่มกันไหม ไม่เดิมเพราะรู้ทันรู้ว่ามันจะทำให้เราท้องเสียแต่เขาไม่ติดป้ายเราถึงไม่รู้ทันกันเดินไปแล้วถึงว่าค่อยมาบ่นว่าท้องเสียท้องเสียกันคำถามต่อไปจากคุณอา ด, ด้วดถ้าอยากจะเอาเป็ดพะโลมาถวายพระแต่เก็บบางส่วนไว้กินเองก่อนนำมาถวายถือว่าผิดหรือเปล่าครับไม่ผิดเราจะถวายอะไร จะแบ่งมาได้ทั้งนั้นออไม่มีปัญหาอะไรออคำถามต่อไปจากคุณเดินตามธรรมเวลานั่งสมาธิดูลมหายใจเข้าออกพอจิตสงบขึ้นมาจิตมันชอบออกไปข้างนอกไปเดินเที่ยวไปในที่ต่างๆขอวิธีแก้ไขว่าควรจะปฏิบัติอย่างไรเพราะไปตอบไม่ได้ครับก็ใช้สติเดินกลับมาอย่าให้มันไป ก็มาหาลมหรือถ้าไม่มีลมก็ใช้พุโทโธอะไรก็ถ้ามีสติมันก็จะหยุดมันได้ถ้ารู้ว่ามันจะไปเราไม่ไปตามมันมันก็ไม่ไปนะคำถามจากผู้ฝากถามหนูรู้สึกได้ว่าเวลาไหว้พระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์จิตชอบคิดไม่ดีคิดไปเองทั้งๆ ท, ที่ไม่ตั้งใจแบบนี้ต้องทำอย่างไรเจ้าคะก็สอนมันช่ว่ามันไม่ควรจะคิด เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้เป็นสิ่งที่ดีถ้าเป็นสิ่งที่เป็นศักดิ์สิทธิ์แท้ถ้าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิท์ไม่แท้ ก, ก็มันก็ไม่ดีเช่นไปเชื่อผีเชื่อเจ้าเชื่ออะไรต่างๆเหล่านั้นแต่ถ้าเป็นเรื่องของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเป็นสิ่งที่มีคุณมีคุณมีประโยชน์กับจิตใจของพวกเรา การได้เข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะทำให้เราได้รับความสุขได้กำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปได้ให้คิดแบบนี้คิดถึงคุณประโยชน์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราก็จะได้ไม่กล้าลบหลู่ไม่กล้าคิดถึงในความไม่สิ่งคิดคิดไม่ดีต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือว่าถ้ามันยังคิดอยู่มันยังเด้ออยู่ก็เวลามันจะคิดเราก็หยุดมันได้มันท่องพุโทโธธรรมโมสังโฆไปพุโทโธธรรมโมสังโฆหรือพุโทโธพุโทโธไปมันก็จะหยุดคิดได้ต่อไปคําถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามถ้าคิดเราคิดถึงปล่อยวางจะทําให้จิตเราตกไหมครับคิดถึงแล้วปล่อยวาง ถ้าคิดเราคิดถึงปล่อยวางไม่เข้าใจถ้าคิดเราคิดถึงปล่อยวางปล่อยวางอะไรคิดถึงอะไรปล่อยวางอะไรปล่อยวางความคิดถ้าหยุดความคิดได้ก็ใช้ได้ถ้าไม่หยุดความคิดมันคิดต่อไปมันก็ใช้ไม่ได้ต้องทําให้ใจปราศจากความคิดให้รู้เฉย คำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามหนูประสงค์จะบริจาคอวัยวะหากเกิดขึ้นจริงผู้ที่ได้รับอวัยวะไปแล้วเขามีชีวิตต่อและปฏิบัติตัวไม่ดีทำร้ายผู้อื่นหนูจะบาปด้วยไหมคะไม่บาปหรอกคนนั้น่เมองกันเราทำบุญแต่เราไม่ได้บุญนะการเราบริจาคอวัยวะถ้าเรายังยังเราบริวเราบริจาคตอนที่เราตายไปแล้ว ถ้าอยากจะได้บุญต้องบริจากตอนที่เรายังไม่ตายเช่นบริจากายไปข้างอย่างเงี้ยบรญจากเลือดอย่างเงี้ยเพราะเราได้เห็นว่าเราได้ทาจริงๆเวลาเราตายไปแล้วเราไม่รู้ว่าเราได้ทาหรือเปล่าไม่รู้ว่าเจตนาของเราได้รับการตอบสนองหรือเปล่าเราไม่รู้ถ้าไม่รู้เราก็จะไม่เกิดความรู้สึกสุขใจขึ้นมางั้นเราต้องทาตอนที่เรารู้รับรู้ได้รู้ว่าเรา ได้บอยจากของที่เราลักเราหวงเพื่อประโยชน์ของคนอื่นแล้วเราเกิดความสุขใจขึ้นมาอันนั้นถึงจะเรียกว่าบุญแต่ถ้าบอยจากไว้ล่วงหน้าเขียนพินัยกรรมอะไรไว้เวลาตายไปไม่รู้แล้วว่าเขาไปทำอะไรหรือเปล่าอาจจะใช้ไม่ได้อาจจะช้าเกินไปตายไปอยู่ที่ไกลเขาไม่สามารถไปรับมาทันมันก็เอามาใช้ประโยชน์ไม่ได้เราไม่รู้ ะการที่จะได้บุญจริงๆต้องทำตอนที่เรารับรู้อยู่มีชีวิตอยู่เห็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการบรยจากของเรา ถ, ถึงจะได้เรียกว่าบุญนะคําถามต่อไปจากคุณวิโรธเวลาดูคนแล้วเกิดชอบไม่ชอบตอนนั้นเราจะรู้ว่าเป็นสัญญาสังขารแต่ภาพเบื้องหน้ามันคนจริงๆไม่ใช่กระดูก ทำอย่างไรครับเพราะยังชอบเหมือนเดิมชอบก็ต้องพยายามบอกว่าชอบแล้วมันไม่ดีชอบแล้วเดี๋ยวมันอยากแล้วพอไม่ได้ดังใจอยากก็จะทุกข์เห็นเฉยๆดีกว่าไม่ต้องไปชอบไม่ต้องไปชังแล้วใจก็จะได้ไม่ทุกข์ไม่ต้องทำอะไรถ้าชอบก็ต้องไปเอาเขามาถ้าไม่ได้เขาก็เสียใจ นะจะไปทำร้ายเขาก็ได้พอเขาไม่รักเราไม่ชอบเราเราก็เลยไปฆ่าเขาก็ได้ไปทุบไปตีเขาก็ได้ยันต้องพยายามฝึกจิตให้เฉยเฉยจะเฉยได้ต้องฝึกสมาธิต้องได้อุเบกขามันถึงจะเฉยจริงถ้าไม่นั้นมันก็เฉยหลอกบอกว่าไม่เฉยแบบใจยังเหมือนรถที่ยังเข้าเกียร์อยู่อะ แต่ไม่ได้ดับเครื่องมันเล่นแต่เหยียบเบรกไว้มันก็ยังจะวิ่งอยู่นั่นนะถ้าอยากจะให้มันไม่วิ่งต้องถอดเกียร์ออกแล้วดับเครื่องเทีนี้มันก็จะจอดทถนัดเนี่ยใจเราเป็นอุเบกขาจริงต้องเข้าสมาธิให้ได้ให้ได้อุเบกขาพอได้อุเบกขานี้แล้วมันก็จะเป็นมันจะเฉยจริงแต่มันก็จะเฉยแบบไม่นานเพราะสมาธิถ้าเรายังไม่ได้ไม่มาก มันอาจจะเฉยได้สักพักหนึ่งหลังจากออกสมาธิมาแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปถ้าอยากจะให้มันเฉยใหม่ก็ต้องกลับเข้าไปสมาธิใหม่ถึงต้องหัดทำสมาธิบ่อยๆให้เข้าบ่อยๆให้มันเฉยนานๆแล้วถึงจะไปทางปัญญาได้คำถามต่อไปจากคุณชรินทิปหนูไปช่วยทำอาหารที่โรงครัวก่อนนาถวาย เราตักชิมก่อนว่ารสชาติเป็นอย่างไรแบบนี้ผิดไหมคะถ้าทางสุขลักษณะก็ต้องใช้ช้อนที่ตักขึ้นมาแล้วอย่าเอาช้อนันนั้นที่เราเข้าปากแล้วก็ไปตักใหม่อันนี้ก็เป็นการแพร่เชื้อแพร่ความสกปรกของเราให้กับอาหารถ้าจะชิมก็ จ, จะต้องตักออกมาแยกก่อนแล้วก็ชิมมันอย่างนี้ไม่เสียหายแล้วถ้าอยากจะชิม เราจะได้รู้ไงว่ารสชาติเป็นไงกินได้หรือว่ากินไม่ได้เจือกันไปเลือกเค็มกันไปจะได้แก้หายได้ไม่เสียหายตรงไหนเพียงแต่ว่าทําให้ให ม, มันแบบสุขกถูกสุณลักษณะเหมือนเวลากินอาหารร่วมกันนี้มีแกงจืดในชามใหญ่ๆนี่เขาให้เราตักแยกออกมาไม่ให้ใช้เอาช้อนของเราตักเข้าปากเราแล้วก็ตักมันแบ่งกันเกิดใครมีเชื้อโรคเอดเชื้ออะไรอยู่ในปากมันก็เอาไปใส่ไปใน ในอาหารนะคนอื่นมากินเดี๋ยวก็ติดเชื้อตามกันไปไนดะ้คำถามต่อนเนื่องครับและเอาตักไว้ก่อนหนึ่งชามพอประเคนอาหารเสร็จมาทานกันจะผิดไหมเจ้าคะไม่ผิดเราเป็นอาหารของเราเราจะแบ่งไว้ก็ได้คำถามต่อไปจากคุณไพฑูล <c oughs> การถวายเงินหรือทองอย่างไรให้ถูกพระธรรมวินัยครับ ถวายได้เพียงแต่ว่าพระจะไม่รับกับมือท่านจะให้วางไว้แล้วท่านจะให้ลูกศิษย์ลูกหาเป็นคนไปเก็บรักษาต่อไปเวลาถวายก็เช่นที่นี่ก็ให้เขียนใบปวานาว่าถวายกี่ตังค์แล้วก็ถวายใบให้กับพระได้แต่เงินแยกเอาไว้ที่หนึ่งแล้วเดี๋ยวพระจะให้ลูกศิษย์ลูกหาจัดการเก็บรักษาไว้ เวลาต้องการจะใช้ก็จะต้องบอกลูกศิษย์ให้เป็นคนไปจัดการให้อีกทีไม่ต้องการให้พระครอบครองอพกพาเงินทองไปซื้อข้าวซื้อของด้วยตนเองพระไม่ให้ทำหน้าที่เหล่านี้ให้เป็นหน้าที่ของลูกศิษย์ลูกหาไปถ้าขาดหรืออะไรก็บอกลูกศิษย์ว่าต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้ถ้ามีเงินฝากไว้กับเขาเขาก็ไปซื้อมาให้ คำถามต่อไปจากผู้ฝากถามนานมาแล้วดิฉันเคยว่าพระสงฆ์พูดจาไม่ดีทำกิริยาไม่ดีกับพระจะสามารถแก้ไขสิ่งไม่งามที่เคยกระทำนี้ได้หรือไม่อย่างไรเจ้าคะอ๋อสิ่งที่ทำไปแล้วไปลบล้างมันไม่ได้เหรอแต่เราทำใหม่ให้มันดีได้เมื่อเรารู้ว่าการกระทำแบบนั้นไม่ดีเราก็อย่าทำซ้ำต่อไปกันแล้วกันส่วนการกระทำนั้นมันก็ถือว่าเป็น เรื่องค่การผิดพลาดไปคำถามต่อไปจากคุณสิริการจะหยุดคิดการจะหยุดคิดนี้จะหยุดยากมากจึงเอาความคิดไปอยู่ที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นการเปลี่ยนเป้าของความคิดได้ไหมครับหรือต้องทำอย่างไรครับไม่รู้เหมือนกันนะเอาความคิดไปเปลี่ยนเป้าไม่รู้เปลี่ยนยังไง ออก็นาความคิดใหม่ที่จะทําให้มันไม่คิดสิความคิดใหม่ที่จะทําให้มันไม่คิดกับพุโทโธเนี่ยท่องพุโทโธพุโทโธไปเปลี่ยนความคิดจากคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มาคิดเป็นพุโทโธพุโทโธไปแล้วสวดมนต์ไปมันก็จะหยุดคิดเรื่องต่างๆได้เพราะพุโทโธมันไม่ทําให้เราไปคิดต่อะ มันจะทำให้เราเมื่อยเหนื่อยแล้วก็จะหยุดคิดไปถ้าพุโทโธไปนานๆเข้าเดี๋ยวมันมันเมื่อยมันเหนื่อยคิดมันก็เลยหยุดพุดโทโธมันก็ไม่คิดถึงเรื่องอะไรได้คำถามต่อไปจากคุณบุญการให้ร่างกายเวลาเราเสียชีวิตกับโรงพยาบาลให้นักศึกษาเรียนจะได้บุญไหมคะได้ประโยชน์แต่ไม่ได้บุญคือคนรับจะได้ประโยชน์ แต่คนให้ไม่ได้อะไรเพราะไม่ได้ให้ตอนเป็นต้องให้ตอนเป็นถึงจะได้ได้บุญได้ความสุขใจเพราะตอนตายไม่รู้ว่าเขาเอาไปทำตามที่เรามีเจตนาไว้หรือเปล่าบางทีก็ร่างกายมันเยอะไปเขาก็อาจจะไปทิ้งก็ได้คำถามต่อไปจากคุณมน เรามีหน้าที่ต้องรับผิดชอบคือเป็นพ่อของลูกสองคนที่กำลังเติบโตต้องใช้เงินใช้จ่ายศึกษาเล่าเรียนและต้องดูแลแม่ป่วยอายุ82ปีแต่คิดอยากไปปฏิบัติธรรมจะวางใจอย่างไรไม่ให้รู้สึกผิดเราก็ต้องทำหน้าที่ของเราสิเวลาเราว่างเราก็ไปไนดะ้ เวลาไม่ว่างก็ปฏิบัติที่บ้านไปก่อนไม่จำเป็นจะต้องไปที่วัดตลอดอย่างอย่างเดียวปฏิบัติได้ทุกแห่งทุกคนเพงแต่ว่ามันจะง่ายหรือยากเท่านั้นเองแต่ก็ดีกว่าไม่ปฏิบัติเลยเห็นเราก็ต้องทตาตามภาวะของเราไปก่อนภาวะของเราเป็นอย่างนี้ก็ถือว่าเราเหมือนกับต้องรับใช้อุบอุวิเบกอะไร ว, วิบาวิบากรรมของเราไป กรรมของเรามันกาหนดให้เราอยู่แบบนี้เป็นอย่างนี้ก็อยู่อย่างนี้ไปก่อนเดี๋ยวสักวันหนึ่งมันก็คี่คลายไปเองเดี๋ยวแม่ก็ตายไปเดี๋ยวลูกมันก็โตไปเรียนหนังสือได้เดี๋ยวก็มีเวลาว่างไปบวชได้ถ้าอยากจะกลัวเดี๋ยวตอนนั้นก็จะไปมีเมียใหม่เ <c oughs> <c oughs> งาซแล้วอยู่คนเดียวเหงาซแล้ว <c oughs> กิเลสมันชอบหลอกเราเวลามีอย่างนี้ก็เบือ่ออยากจะไปได้อย่างนั้น พอไม่พอพอไม่มีอะไรก็อยากได้นู่นได้นี่ขึ้นมาเวลามีก็เบื่ อ, อยังไม่มีคำถามเลยนี่ใครอยากจะถามก็ถามได้นะไม่งั้นก็เดี๋ยวพักดื่มน้ำสักปั๊บหนึ่งรอคำถามถ้ามีก็อ่านได้ไปเลยคำถามจากคุณวันนิพา หากโยมว่ากล่าวตักเตือนกับพระที่ทําผิดให้รู้ตัวแต่ท่านกลับโกรธโยมควรปล่อยให้ท่านทําผิดหรือไม่ยุ่งเกี่ยวกับท่านอีกต่อไปเจ้าคะ่ะก็ถ้าท่านไม่ยินดีฟังก็อย่าไปสอนถ้าท่านยินดีก็สอนไปไม่ว่าใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นพระเป็นโยมหรือเป็นใครก็ตาม เราต้องดูว่าเขายินดีรับฟังคาสอนของเราหรือไม่ถ้าเขาไม่ยินดีก็อย่าไปสอนเพราะว่าไม่เกิดประโยชน์เหมือนเทน้ำใส่แก้วที่คว่มอยู่นี่เทใส่เข้าไปทำไมเทเข้าไปมันก็ไม่เข้าไปในแก้วแก้วมันคว่มอยู่คนที่ไม่ต้องการฟังคาสอนของเราก็เหมือนเขาเขาเอาใจเขาคว่ำลงเขาไม่หงายขึ้นคมสอนของเราก็เข้าหูซ้ายออกหูขวาไป แต่ถ้าเขาอยากจะฟังเขาหายใจรับตั้งใจฟังขอบคุณเวลาที่ได้ยินได้ฟังนี่แสดงว่าเขาต้องการคำสอนของเราเราก็ต้องดูว่าคำสอนของเรามันมีคุณค่าหรือเปล่าบางทีคุณคะคำสอนของเราไม่มีคุณค่าเขาก็ไม่อยากฟังอย่าง น, นกันงนั้นก่อนที่จะไปสอนใครก็ต้องดูก่อนว่าเรามีของดีให้เขาหรือเปล่า ถ้ามีของไม่ดีใหเ้เขาเขาก็ไม่เอาก็ได้คำถามต่อไปจากคุณพรีนพระหรือบุคคลที่มีจิตรบริสุทธิ์แล้วจะมีคุณลักษณะอย่างไรครับก็เป็นคนธรรมดาเนี่ยยังกินยังหายใจยังอะไรอยู่อาบน้ำอาบทา่าเดินไปเดินมาอะไรเพียงแต่ว่าไม่ไปโลภไม่ไปแย่งอะไรกับใคร ไม่ไปโกรธใครไม่ไปเสียใจร้องหม่มร้องไห้ไม่ไปอยากได้นู่นอยากมีนี่แต่ถ้ามีใครให้มาก็รับหมดก็อยากก็อยากจะให้ก็รับได้รับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะอาไปทําประโยชน์ให้กับคนอื่นกับตัวเองนี้มักจะไม่ทําอะไรเพราะตัวเองไม่ต้องการอะไรแล้วพร้อมทุกอย่างมีความสุขเต็มที่อยู่แล้ว ส่วนใหญ่ถ้ารับมาก็เอาไปสมเคาะบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนของผู้อื่นต่อไปคำถามต่อไปจากคุณเสนทิชัยเวลานั่งสมาธิแล้วเกิดอาการหมุนหมุนแบบจะล้มลงหรืออาการเหมือนตัวสรรั่นอยากจะทราบว่าเกิดจากอะไรครับและบริกรรมพุทโธต่อเลยไหมครับใช่ต้องบริกรรมพุทโธอาการเหล่านี้จึงไม่เกิด ถ้านั่งเฉยๆหยุดบริกรรมเมื่อไหร่เดียวมันก็จะปรากฏอาการต่างๆขึ้นมาได้เหตนั้นเวลานั่งสมาธิต้องมีพุทโธกากับใจหรือต้องมีการเฝ้าดูลมหายใจใจถึงจะนิ่งจะสงบถ้านั่งเฉยๆเดียวมันปรากฏอาการต่างๆขึ้นมาคำถามต่อไปจากคุณวิไลลักษณ์ ท่านที่ให้ทานรักษาสินห้าอย่างดีและภาวนาอยู่เสมอๆแต่ตั้งใจและอธิษฐานจิตขอให้ไปเกิดที่สุทาวาตภูมิจะเป็นไปได้ไหมคะเพราะถือแค่ศินห้าคะ่ะคือจะไปไหนมันก็ต้องตีตั๋วละ่ะจะไปกรุงเทพมันก็ต้องตีตั๋วไปกรุงเทพนะถ้าตีตั๋วไปแค่พัทยามันก็ได้แค่พัทยาเห็นเราก็ต้องรู้ว่าสุทาวาสนี้จะไปต้องไปด้วยอะไร ตามหลักของการจะไปสวรรค์นี่ก็ต้องทำสองข้อคือทำบุญแล้วก็รักษาศีลห้าทีนี้สวรรค์มันมีต้องหกชั้นสวรรค์ชั้นเทพเคยบอกว่าสิบหกความจริงมันหกมันก่อนไปดูตำราสวรรค์ชั้นพรมนะ่ะถึงมีสิบหกชั้นแต่สวรรค์ชั้นเทพในมีหกชั้นนิมานดุสิตดาวดึงยามาหรืออะไรต่างๆ่างเลนี้มีอยู่หกชั้นด้วยกัน มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราทำบุญมากทำบุญน้อยถ้าบุญมากรักษาศีลบริบสุทธิ์เท่ากันแต่บุญไม่เท่ากันบุญมันก็จะทำให้ขึ้นไปชั้นที่สูงต่ำกว่ากันถ้าทำบุญมากก็จะขึ้นไปชั้นที่สูงถ้าทำบุญน้อยก็ไปชั้นต่ำ เหมือนเราไปพักโรงแรมมีเงินน้อยก็ไปพักอโรงแรมห้าดาวไม่ได้ก็ต้องไปพักโรงแรมหนึ่งดาวหรือไปพักตามเกสต์เฮาส์ก็ได้แต่ถ้ามีเงินเยอะพวกเศรษฐีมาเศรษฐีนี่ก็ห้าดาว อ, อ, อันนี้ก็เหมือนกันาการจะไปสวรรค์หกชั้นนี้ก็ขึ้นอยู่ว่าทําบุญมากทําบุญน้อยรักษาศีลบริสุทธิ์หรือไม่ถ้ารักษาศีลไม่บริสุสุดอาจจะมีช่องให้มันววบไปอบายก่อนก็ได้ ยังต้องระวังระวังเพราะว่าเวลาเราตายนี่ศีลกับบาบุญกับบาปอันไหนจะมากกว่ากันถ้าบุญมากกว่าบาปก็ไปสวรรค์แต่บุญจะไปสวรรค์ชั้นไหนก็อยู่ที่ว่าบุญมากบุญน้อยนี่ก็เป็นการตีตัวก็ลองไปอ่านดูว่าชั้นที่เราต้องไปมันอยู่ระดับไหนชั้นที่หนึ่งที่สองหรืทอที่สาม แต่ให้มันเลยขึ้นไปสูงอันนั้นดีกว่าเพราะสูงกว่ามันมันมีความสุขมากกว่าอยู่แล้วงั้นเพื่อความมั่นใจก็ทำบุญมันทั้งปักเลยบีเท่าไหร่ก็ทามันไปหมดเลยแล้วรับรองได้ว่าจะต้องได้สวรรค์ชั้นสูงสุดแน่นอนคือไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินนั้นแล้วอยู่ที่จานวนเงินของแต่ละคนคือเราจะเอาวัดจำนวนเงินว่า ล้านหนึ่งจะได้ชั้นนั้นแสนหนึ่งจะได้ชั้นนี้ไม่ได้เพราะแต่ละคนมีมีเงินไม่เท่ากันแต่ให้ดูปริมาณของเงินของคนนั้นว่าทำไปสัดส่วนเท่าไหร่ถ้าทำไปครึ่งหนึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นแค่ห้าหมื่นแต่คนหนึ่งทำครึ่งหนึ่งต้องเป็นห้าล้านอย่างเงี้ยก็เท่าถือว่าได้ไปชั้นเดียวกันได้ไปสวรรค์ชั้นเดียวกันเพราะว่าทำบุญเท่ากันคือสละ เงินทองสัดส่วนครึ่งหนึ่งเท่ากันคนนี้มีสิบล้านก็ทําไปห้าล้านคนนี้มีแสนหนึ่งก็ทําไปห้าหมื่นอย่างนี้ถือว่าทําเท่ากันคือไม่ได้ดูที่ปริมาณเงินแต่ในคนคนเดียวกันนี่ต้องดูปริมาณเงินถ้าทำห้าหมื่นก็ทำแสนหนึ่งแสนหนึ่งมันต้องไปสูงกว่าห้าหมื่นเข้าใจไหมงั้น ต้องพูดให้เข้าใจอย่าไปวัดกับคนนั้นคนนี้ถ้าวาัดกับคนนั้นคนนี้มันจ ะ, ะวัดไม่ได้วัดก็ต้องวัดแบบปริมาณสัดส่วนที่ของเงินที่เขาเสียไปก็ทําไปถ้าเขาเสียไปครึ่งหนึ่งของสมบัติที่เขามีอยู่เป็นจานวนห้าล้านเราก็เสียครึ่งหนึ่งของสมบัติที่เรามีอยู่เป็นจานวนห้าหมื่นอันนี้ก็ถือว่าทําบุญเท่ากันได้ไปสวรรค์ชั้นเดียวกัน โดยที่ไม่ต้องเสียเงิน เ, เท่ากันเหมือนขึ้นเครื่องขึ้นลำเดียวกันแต่นั่งชั้นหนึ่งกับนั่นชั้นชั้นธรรมดาราคาก็ต่างกันแต่ก็ไปถึงจุดหมายปลายทางอันเดียวกันชั้นหนึ่งก็ต้องจ่ายสองเท่าใช่ไหมชั้นธรรมดาก็จ่ายครึ่งเดียวแต่ก็ไปถึงจุดหมายปลายทางอันเดียวกันแต่สุขสบายไม่เท่ากันให้คิดอย่างนี้ก็แล้วกันคาถามต่อไปจากคุณสุบิน พระท่านสอนให้มีสติทำบุญสร้างกุศลให้ติดไว้ในจิตพอแก่ตัวเป็นโรคอัลไซเมอร์จับตัวเองหรือใครๆไม่ได้ถ้าตายไปแบบขาดสติดวงจิตไม่อยู่กับพุทโธตายแล้วดวงจิตจะหลงลืมเหมือนตอนมีชีวิตใหม่เจ้าคะ่ะมันลืมไม่ลืมมันก็เป็นเรื่องของจิตมันจะเลิมก็เลิม แมแต่แม้ไม่ ม, มาลบล้างบุญบาปที่ทำไว้บุญบาปที่ทำไว้เวลาตายไปมันจะไปตามกฎแห่งกรรมโดยอัตโนมัติบุญมากกว่าบาปมันก็จะเดึงไปทางสวรรค์บาปมากกว่าบุญมันก็จะเดึงไปทางระบายจะจำได้ไม่จำได้ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรกับจิตใจคำถามต่อไปจากคุณอังสนาดิฉันนั่งสมาธิโดยดูลมหายใจเข้าออก เมื่อนั่งไปสักพักจิตเริ่มไม่จับลมหายใจมีอาการสงบนิ่งไม่คิดอะไรเป็นอยู่อย่างนี้สักพักอันนี้คือสมาธิใช่ไหมเจ้าคะก็สมาธิในระดับหนึ่งเ อ, อเมื่อมันสงบนิ่งมันไม่ทําอะไรก็ให้รู้เฉยๆไปก็ใช้ได้แต่พอมันเริ่มคิดมันเริ่มเริ่มขยับใหม่ก็ต้องบังคับให้มันดูลมต่อไปทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจังกามันเออ่ มันจะสงบได้ทุกเวลาที่เราต้องการคำถามต่อไปจากคุณพีโกถ้าปัจจุบันมีการครบซ้อนนานๆเป็นไปได้ไหมครับที่อดีตชาติก็คงมีลักษณะแบบนี้ครบซ้อนเป็นไงคบหลายคนะนาาะมนีะแฟนหลายคนน ะ, ะ, ะมันมันมันเคยทำอะไรมามันก็เป็นนิสัยตามมา แต่เปลี่ยนได้ถ้ารู้ว่ามันไม่ดีผิดศีลผิดประเวณีก็อย่าไปทำมันเพราะว่ามันได้ไม่คุ้มเสียมันมีความทุกข์มีเรื่องมากมายกว่าที่จะต้องตามมาคบคนเดียวดีวกว่ารักเดียวใจเดียวไม่มีปัญหาถ้ารักหลายๆคนน่ะเดี๋ยวจะมีปัญหาตามมาหมดแล้วเหรอหมดแล้วครับโอเคหมดแล้วก็แค่นี้ละองสามพอดีสามสามสาม